จงจะอ่านนั้นไม่ใส่ชวิตประจำ น, นคือตรีตองนึกคิดขึ้นมาเองนังนั้นจริงวิธีที่หลวงพ่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของพ่อนั้นคือไม่ต้องจับอะไรเสมวิภาวิจาร์เพียงแต่ทำจังหวะหรือเดินจงกรมเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ตามให้มีความรู้สึก รมรู้สึกหมายถึงอะไรรวมรู้สึกตัวนี่เนี่ยผมไม่รู้มันจะหายไปเองพอดีเราทํารู้สึกเข้ารู้สึกเข้ามันจะรู้ตัวเองรู้อะไรคำว่ารู้อะไรนี่อาจจะฟังไม่รู้ว่าทารารู้อันใดรู้อะไรรู้อย่างไงมันว่าอย่างไรรู้อะไรแตรู้ตัวเรากําลังพลิกมืออยู่นี่รู้เพรมือเรานี่ยรู้หมายถึงอะไรพิกมือเนี่หมายถึงอะไรรู้ไหมเราจะรู้เองอันนี้ไม่ต้องสอนการู้ หลวงพ่อไม่มีใครมาพูดให้ฟังทําอย่างนี้ทำแล้วมันรู้ขึ้นเองเป็นว่ารู้เองเห็นเองเข้าใจเองเรืองนี้อันรู้เองเห็นเองเข้าใจเองนั่นเดียวอะเป็นปัญญาเป็นปัญญาของวิปัสสนาแต่ยังไม่เป็นแก่นแท้ของวิปัสสนาเป็นเพียงปัญญากับพี้กับพี่ของวิปัสสนายังเป็นวิปัสสนาแท้ไม่ยังตกอยู่ในอำนาจของสมถะสมถานบ้างเป็นนิปัสสนา ยังซื้อศาสนาล้วไม่ได้พอดีรู้เรื่องลูกลูกอะรลูกลูกน้ำคืออะไรนามคือมันตึงที่มันลู่ทำถัดจากลูกนี้ลูกอันนี้ลูกลูกนามลูกทำกับลูกอันนี้เองทำนามก็ทำไปด้วยนามก็เป็นธรรมะแน่เมื่อลูกทำอันไดก็เป็นน้ำทำนั้นหนึ่ยอดธรรมะคือตัวคนธรรมะคือตัวมนุษย์รู้ลูกทาน้ำทำได้๋วก่อนรู้ลูกเป็นโลกนามเป็นโลกลูกเป็นโลก เข็มหัวปวดท้องใจก็ไม่สบายเลยวะ่ะน้ําก็ไม่สบายด้วยบัด น, นี้ลูกโลกน้ําโลกมีสองอย่างด้วยกันจิตวิญญาณเป็นโลกประเภทหนึง่งอย่างที่พวกเรานั้งอยู่ในขณะนี้นะไม่เก็บหัวไม่ปวดท้องในบางทีมีคนมาพูดขึ้นมาพอใจไม่พอใจเนะี่ยจิตวิญญาณเป็นโรคนะไม่ใช่ว่าอันนี้เป็นโลกจิตวิญญาณเป็นโลกจิตกับวิญญาณมันหน่งจิตเป็นโลกวิญญาณรู้เนี่ยนี่ว่าวิญญาณเป็ว่ารู้ ไม่ใช่วิญญาณตายแล้วล่องลอยไปเข้าท้องคนนั้นออกจากท้องคนนั้นไปเข้าท้องคนนี้หร <damp> ือไปสวรรค์นี่ผ่านทางนั้นหลงมาในลยแต่ตำราบอกว่ารั่ะจะลงพ่อไม่ออกพราลงพอลู่อันนี้หลวงพอต้องออนี้มาพูดกันตายเปเรื่องเรื่องของตายเลยไม่ต้องพูดวิญญาณแป็นวัลุลู่อันใดทั้งหมดวิญญาณตามีวิญญาณถ้าตาบอดตาไม่แต่ตาไม่มีวิญญาณตามันบอดแล้มันไม่มีคนรู้สึกแต่ว่าไม่มีวิญแต่เรามีตาแต่สามันบอด มองไม่เห็นแสดงว่าตาหมดวิญญาณแล้วตาไม่มีวิญญาณแล้วบนันไดหูเราก็มีแต่บันหูตันหูหนวกเนี่ยหูอะไรเนี่ยไม่มีเสียงที่แบบก็สัมผัสมัสมนได้ล้ว่าหูหมดวิญญาณแต่คนยังไม่ตายนะแป่ว่าหูหูมันไม่ได้ีนะแปลว่าหูไม่มีวิญญาณแล้วหูตายแล้วอย่ญญางเงี้ยก็ได้บนันไดจมูกเรียก ว, ว่าดางับงบันกดคอนเดนเดังนี่ก็เหมือนกัน เราเป็นหวัดเป็นนายพลสามแต่ว่ามันไม่รู้วันนี้เราไม่รู้เหม็นลูก้ผมเอามาใกล้ๆกันไม่รู้แต่ว่าดังหมดวิญญาณดังไม่มีวิญญาณตายนั้นนี่ก็เหมือนกันมันโูกสัมผัสอะไรไม่รู้ก็แปลว่าตายหมดวิญญาณตายลูกคนเดียววนะันนี้กินอาหารเข้าไปลิ้นเราหมดรสหวานเปรีย้ยวเก็มหมดรสให้ไหมไปไม่มีรสอะไระเลยเลยเลยลิ้มไม่มีวิญญาณสิ่งที่มีวิญญาณต้องรู้ ไม่ได้ใจเราก็เหมือนกันใจเราคิดคิดนู้นคิดนี่แหละไม่รู้จักแสดงว่าใจไม่มีวิญญาณเดี <c oughs> ย๋ยวทำมารมันกับใจไม่มีนี่เขาใจญ่บันนี้เมื่อตาเห็นรู้โอ้นี่ยตามีวิญญาณขึ้นมาหูฟังเสียงเสียงดีเสียงไม่ดีใครพูดอะไรรู้เรื่องหูมีวิญญาณขึ้นมาจมูกนี่วัดดังเมนหอมอะไรรู้กินอะไรเข้ามารู้นี่วัดดังมีวิญญาณตาเราเนี่ยสัมผัส เย็นนอนพอนแผลนิดเดียวลงมาพัดดยกระลหลกเดียวตายแล้วมีวิญญาณเรากินเข้าไปในขณะลิ้นเราสัมผัสแผลด้วยเนี่ยใจเรามีวิญญาณจิตใจเรามันนึกมันคิดอะไรขึ้นมาเราต้องเห็นต้องรู้แสดงว่าจิตใจมีวิญญาณจิตใจไม่บอดที่หลวงพ่อปุณิย์เห็นแปลว่าแสดงว่าเราเรียนตามหลักพุทธศาสนาที่ว่าการพูดมีกุญแจลูกกุญแจดอกเดียวเท่านั้นคือลูกกุญแจนี่คือตัวรูสิบตัวนี่เอง ถ้าหากไม่มีกระแจลูกนี้แล้วไขไม่ได้มันจะฝังสลับแม่นอัดอไวทั้งหมดเลยที่พพเราพบเจอเมื่อเรามาจับกระแจลูกนี้เข้าไปซุกเตลูมันพลิกนิดเดียวมันไขออกมาเนี่ยแสดงว่าเราทําอย่างเนี้รู้มากเขา ม, ามันจะรู้เรื่องลูกนามพอดีรู้ลูกนามดีแล้วกันรู้ทุกขังอันนี้อย่างน่าตาทั้งนั้ทุกขังไม่ได้หมายถึงนั่งนา น, น, า น, น, านเจ็บแข้งเจ็บขานั่น ถ้าเจ็บหัวปวดท้องผมออกตันหาไม่ต้องเอาแล้วกันเอ า, าแสดงตัวอีทธิบาตโตไปเป็นธรรมชาตินั่นแหละเป็นตัวทุกข์เราทิ้อย่างนี้เราไม่รู้สึกวเป็นุกเราชอบว่าเป็นสเราเคลื่อนไหวไปเรานั่งเน่ะมันเคลื่อนไปโดยไม่รู้เรานั่งนานๆมั น, น เ, รเราจะลุกเราไม่รู้นะมันลุกไปคนเดียวมันเลียว อ, อันนั้นไหมคือเรากําลังเคลื่อนไหวไปเราจะได้รู้เพราะว่าสัน ต, ติสุนทรเรื่องคําอะมันมันเคลื่อนไปคือสันตติจะีวมเร็วทุก เราไม่ทันเห็นมันเรยไม่รู้ว่าทุกวันนี้พอเราเคลื่อนไหวผมถูกจริงจริงเราจะได้รู้มั้พอเดอเราเคลื่อนไหวทำนี้รู้มันพิดตาเราผิดมาตั้งสัวตั้งแต่ตัวเล็กๆไม่เคยว่ามันเป็นทุกข์หายใจเข้าหายใจออกไม่เคยรู้ว่ามันเป็นทุกข์จิตใจมันนึกมันคิดไม่เคยรู้ว่ามันเป็นทุกข์เพราะว่ามันสันสัตว์สิบคมเร็วขึงนมาเราไม่เคยกำหนดมันดังนั้นจึงมาสอนให้เรามีความรู้สึกตัวไม่ต้องไปทำความสงบ อันนี้แหละคนสงบที่มันแน่นอนที่สุดมันเป็นนั่งคนสงบไปสร้างขึ้นมามแบบนี้น้ำแข็งที่ลงน้ำแข็งขอเอาน้ำธรรมดานี่เองแต่ทางวิทยาศาสตร์เขาไปทำยังไ ง, งกับแอมโมเนูเป็นก้อนบอเลอรใหญ่ๆน้ำแข็งไปจับก็มันเย็นพอดี๋ยวไปตากแดดตากลมไปไม่หนาวน้ำแข็งจะละลายเป็นน้ำเหมือนเดิมแสดงว่าน้ำแข็งอันนั้นอ่ะมันไม่ถูกต้องแล้วมันเป็นน้ำแข็งวิทยาศาสตร์ มันไม่ได้เป็นน้ําแข็งของธรรมชาติของมันกานเจริญสติงานเจริญสมาธิเจริญปัญญาก้อสามวิปัสสนาก้อามถ้าหากไม่ศึกษาตัวธรรมชาติแล้วไปสร้างอันอื่นขึ้นมาล่ะก็เหมือนกับวิทยาศาสรไปทําน้ำแข็งนั่นเองดังนั้นทีอว่าทํำวิปัสนาแบบนี้มันเปลี่ยนเรื่องกับสมถะของนั้นต่อเมื่อทำอยู่นี่เป็นสมถะธรรมฐานเมื่อเกิดปัญญาลู่แจ้งขึ้นมาแล้วเป็นวิปัสสนากับธรรมฐานโฟมกันไปทำให้โฟมกันไปได้ ก็เพราะกรรมคือการกระทํานั่นเองฐานจะไปสิ้ังนั่นเองไม่ใช่จะเป็นนัง่งหลับหูหลับตาไปสร้างของไม่มีไม่มีขึ้นเดี๋ยสร้างมาเลยมันผลผลฐานไม่มีเมื่อก็น่าเข็นเมื่อมาทํอทานนทอย่ันนิโอบผลผลฐานนัเองเที่ยวเรของเ น, น, น่นอนเราจะมารู้จักการคิดษาเป็นทุกข์หายใจเป็นทุ ก, กข์ลึกคิดเป็นทุกข์เคลื่อ น, นไหวโดยวิธีใดเป็นทุกข์ทั้งนั้นเดี๋ยวก่อนทุกขอันนี้พอจบอันเมื่อหนึ่งจบครั้งนี่จะนักการู้จักสมมติขึนมาอัทีสิ่งที่สมมุติพูดขึ้นมาก็ระู้จัก สิ่งที่สมมุติในตัวบทกฎหมายก็รู้จักแม้ธรรมะเอกถูกสมมติขึ้นมาพูดล้วก็ต้องรู้จักต้องรู้จักถ้าหากไม่รู้จักอย่างน่าจะเป็นวิปัสสนาได้ไม่ได้เป็นเพียงปัญญาอันนี้เป็นเพียงปัญญาของสรรมฐานกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานอยู่ด้วยกันเป็นปัญญาเล็กๆน้อยไม่เป็นปิยานปัญญาของวิปัสสนาเป็นเพียงปัญญาเข้าไปลนูปอย่างเป็นกินยานปัญญาไม่ได้บัด น, นี้เมื่อรู้จัก สมมติดเดยวกับมาลุจากศาสนาศาสนาไม่ได้เกี่ยวข้องถึงวัดไม่ได้เกี่ยวข้องถึงตัวพระพุทธรูปอันนั้นนเป็นสมมุติแต่เราไม่เกี่ยวข้องว่าทำเป็นสมมุติขึ้นมายอดสมมุตินีให้รู้จริงๆถ้าหากไม่รู้สมมติจริงๆเราจะไปติดสมมติอนนัน้เมื่อติดสมมุติแล้วก็เป็นอุปทานเนี่ยเป็นอย่างและสิ่งที่สมมติรู้ให้ลอกด้านทีเดียวแม้จะสมมติอะไรให้มันครบจบทั้งที่ว่าพยายามจะตัดปัญหาความสงสัยเล็กๆน้อยๆไม่ต้องมี เมื่อรู้ศาสนารู้พุทธศาสนาดีแล้วลรู้บากรู้บุญนี่บาปบุญกันต้องรู้บาปไมายถึงะบาปหมายถึออยถอองคไม่รู้อย่างที่หล่บอกสิ่งที่ไปรู้นะเป็นรากเล่าของบาปมากที่สุดสิ่งที่รู้น่ะเป็นลกเล่าของบุญไม่เป็นส่วนบุญคือรู้บาปคือไม่รู้ถ้ามีความสงสัยเล็กๆแล้วนั่นเบบบนี่ยบาปนะเราต้องลือดถอนเลิกถอนเลือด ถ, ถอนกับเลิกถอนนี่ ทำหมาอันเดียวกันนะเข้าใจไหมเลิกถอนเลื่อถอนให้หมดเทีสิ่งที่ไม่รู้พยายาจัดการเอาให้หมดเอาปมรู้เข้าไปให้มันรู้ให้หแล้วก็หมดเรื่องบาเรื่องบุญเรานี่ะแบบนี้ก็ต้องเจริญควมรู้สึต่อเมื่อมาเจริญความรู้สึกต่อไปนี่แหละเราจะเจริญควารู้วิปัสสนูจะเข้ามาทันทีเลยมันจะเกิดความดีใจว่าจบเองรู้ สิ่งที่ว่าตัวเองรู้เนี่ยอันนั้นแหละเด็กผมรู้ของกิเลสมาแล้วเป็นผมรู้ของอวิชตาเลยเมื่อทีแรกมันตองรู้ในตัวเราเพื่อนไหวไมเท่าพอดีรู้เนี่มันเกิดภูมิใจขึ้นมาแล้วมันตั้งใจตัวนี้บบเมนมาตั้งใจตัวนี้ผมรู้อันนั้นผมรู้ที่นอกตัวเราเรียกว่าปัญญาญาตัวนั้นะญาปัญญาตัวนั้นมาดึงใครก็ได้หรือจะว่าอยังไงไปก็เลยลืมลืมผมเคลื่อนไหวอันนี้ลืมเลยแล้วก็ไปติดคมรู้ตัวนั้นเลยติดคมรู้ตัวนั้นเข้าไปแล้วก็สนุกเหมือนกัน มันสนุกมันใครว่าสนุกคาว่าสนุกกับสุขคนละอันกันนะมันสนุกเท่านั้นเองแต่มันไม่รู้จากพวกแต่ความสนุกนั่นแหละเป็นผมความันสนุกเป็นพวกนั้นแต่ไม่รู้จากเราพวกอันนั้นเกิดขึ้นภายในจิตใจไม่รู้แต่คนมันจะรู้พอดีมันไปติดความสนุกอันนั้นมันไม่รู้ผมคิดเลยแต่ความคิดมันคิดไปไม่รู้ด้วมันไม่รู้ผมคิดตัวนี้แหละ ที่มันไม่ได้เห็นตัวทุกข์มันลืมตัวทุกข์แล้วเนี่ยลืมคิดเป็นทุกข์เลยมันก็ลืมหายใจเป็นทุกข์เลยมันก็ลืมพรมเคลื่อนไหวตัวเองเป็นทุกข์ทางนั้นลืมแลยมันเมื่อลืมตัวนี้กับเป็นวิปัสสนุเข้ามาเต็มที่เลยเ น, นี้วิปัสส น, นุขึ้นบนตรงนี้ก็เลยอยู่กับวิปัสสนุเพราะปัญญาตัวนั้นมันเพียลงแล้วมันอ่อนไปแล้วตก็ทีแรกเรากำําดตัวนี้มากคือไม่เอาอะไรมากำหนดทั้งหม ด, ห ม, ดมันจะมีปัญญาขึ้นมาพอดีมีปัญญาขึ้นมาครับไปดีใหญ่หมดมันนี่พรมพรมใจอันนั้นนมมาอี้ก็ลื ต่ก็จะไปอยู่กับผมแต่ว่าทำอยู่นี่ก็เป็นไม่รู้ทำอยู่อย่างนั้นแต่ไม่รู้แต่พมภูมิาจ ก, กับตัวนั้นอันนี้ปฏิสัมพันธ์ยามัดีแต่เมื่อไปติดความรู้นะพยายามกระตุกตัวนี้มาแรงมันี้ยังไม่รู้แต่มันทนไม่ได้ต้องรมันจะมันเกิดปีสปีๆๆแต่ไม่นานให้เวลาไม่ไม่เกินสามเดือนในทีเลยมันจะภูมใจแลื่นั้นมันจะค่อยลไใค่อยๆไปจะขายเองมาเรื่องนี้แต่ถ้าหากว่าไม่รู้จริงๆแล้วมันจะพลั้งเข้าไปจริงๆ เมื่อทะลก็ไปจริงๆก็สหนักหน่อยมันจะเปิดพอใจแล้วก็เริดมาตัวเป็นโควิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเป็นงอันนี้เป็นรูปของทวิสาสินรูปของนสนนุถ้ามันเกิดโควเขึ้นมายังได้ยังเป็นนินแล้วเข้าใจยังไงนะวันนี้พอดีตัวนัก็พอดีส้นเราไม่รู้พอดีมันเปยังกลับมาทำต้รู้สิบเนมันให้มันรู้สิบตัวนี้มากๆทำเล ถ้ามันยังรู้มากเลยนะครัไปทํางานเรื่องอื่ก็ไปทํางานถ้ามันอยู่กับงานเพราะตัวนี้มันเคยกินมาแล้วไปอยู่กับงานไปยกนั้นยกนี้สักเสื้อสักผ้าทําให้มันรูดสิกันนี่น่ะอันนี้มันสังสารแต่ยามันทาไปยันนี้มันรููเสยๆเนี่ยมันรู้กับธรรมทานแต่เราพยายามให้มันรููเพื่อไปยานเต้นมันมีสติเป็นรูดเมื่อเขาเป็นรูดตัวนี้ตัวที่ตัวนั้มาจากวางมาวามามาเขียมันจะรูดรูดตัวนี้เมื่อมันมาอยู่กับผมรู้สุดตัวนี้แล้วผมรู้สุดตัวนั้นคนที่รู้จังกาน นีูุ่้กปะแต่เรายังไม่รู้เรามาบำเพ็ญทา ง, ทงจิตไปเนี่ยมันคิตมันคิดขึ้นมาเรารู้แต่ว่าตอนรู้จิตก็ต้องเอาคน ต, ตัวนี้แล้วตัวนี้ทิ้งไม่ได้ต้องทําจังหวะให้มันรู้ตัวนี้พอมันคิดพุ๊บขึ้นมารู้มาอยู่กับตัวนี้พอมันมาคิดพุ๊บขึ้นมาให้มันรู้มาอยู่กับตัวนี้มาอยู่กับตัวนี้เข้าใจไหมให้มาอยู่กับคนรู้สึกอันนี้จะมันคิดแล้วก็ให้รู้จำว่าเราจะมีวิญญาณถ้าหากว่าเราไม่รู้ตัวนั้นแสดงว่า เราไม่มีวิญญาณวิญญาณถูกบอดใจเข้าใจวิญญาณไหมพี่วิญญาณหลวงพ่อพูดให้เข้าใจไหมโตมันคิดขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นกระแสแสดงว่าเรามีวิญญาณเมื่อมันคิดขึ้นมาเราไม่เห็นเราไม่รู้กระแสแสดงว่าเราไม่มีวิญญาณแต่มันมีแต่มันมันมันถูกบอดคือแบบมันไม่ได้เปิดกุญแจคือมันล็อกไว้เข้าใจไหมันล็อกนี่ว่าอย่งไรล็อกล็อกได้เป็ว่าลบในวิ่งนะเมี่ยรถไม่วิ่งคือมันล็อกไวแล้วมีกุญแจเราเปิดมันล็อกเราวิ่งไปไม่ได้ แสดงว่ามันไม่รู้อันนั้นคือว่าวิญญาณตัวนั้นมันเกิดขึ้นมาได้มันไม่มีแต่มันมีเต็มแก้มันเกิดขึ้นมาแล้นี่มันนี่เราก็พยายามรู้สึกมันคิดครกรู้เออแสดงว่าวิญญาณทำมาลมวิญญาณรู้ใจตรงเนี้ยไม่ต้องไปศึกษากับพระไตรปิฎกอันเนี้ยเลิกพระไตรปิฎกเอาพระไตรปิฎกย่ออันเนี้ยมันนี่คลามาทําตัวนี้ทำมากเข้ามากข้อมรู้สึกความคิดมากเข้าเท่าไห ตคิดขึ้นก็นจะซางลงไปซางลงไปปัญญามันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นพอดีเซนเสียเลวมันจะเกิดยานปัญญาของพิปัสนาขึ้นที่ตรงนี้อันนี้เป็นยานของพิปัสนาเนี่ยครับเป็นเริ่มต้นของปฐมฐานแล้วอันที่เรารู้รูปนามนี่ที่แรกเราอาจจะรู้ว่าเราเป็นปฐมฐานไหมแต่คนอื่นจะว่าถูกเพราเรือกของเขาจต่หลวงพ่อไม่เอแต่คนอื่นจะเอากับไม่ห้าวหลวงพ่อรู้อยู่นี้อันนั้นมันเป็นเพียงปัญญา เริ่มต้นบาทฐานของสมถาะาขวิปัตนาอยู่ด้วยกันเศษสมถารุ่นรุ่นไม่รู้สมถารุ่นรุ่นมันต้องไปเพ่งอสุภาษเนี่ยมนเข้าไปในแล้วนี่ยไม่ว่าเห็นที่ไหนเป็นสิ่งที่น่าจบตกทั้งหมดเขาเรียกให้เป็นอสุภาษทั้งหมดอันนั้นเป็นสมมถารุ่นปัญญาขอวิปัสนาไม่เข้าไปไม่ว่าวิญญาณขวิปัสนาไม่เข้าไปก็ได้ไม่ใช่ว่าอะไรมันมันสมมติพูดนะที่เรางพ่อพูดวันนี้พอดีมาเริ่มลูกองคิดพอดีลูกผมคิดมากเข้ามากเข้า ยานเขาปัญญามันจะรู้สิ่งที่โลกมองไม่ด้วยตาเนี่ยมันเป็นวัตถุทั้งหมดเลยต้นไม้ภูเขาอินฟ้าอากาศเป็นวัตถุวัตถุหมายถึงของที่มีต้องเห็นอย่างนี้บัดนี้บางคนจะเห็นนอกเข้าไปบางคนจะเห็นในออกไปถ้าเห็นในออกก็ต้องเห็นตัวเรานี่ก็ไปเที่ยวข้างนอกคนบางคนก็ตัวเที่ยวข้างนอกเราเข้ามาข้างไหนมันไม่แน่แต่บไงที่หลวงพอได้ทําลวงพ่าจะคนมาน่ะบางคนก็ลุกข้ังขันถ้าเห็นข้างนอกออกมาก็ตนอง ต้นไม้ก็เป็นวัตถุกี่เป็นจริงๆว่าอากาศมีเป็นวัตถุทั้งหมดเนี่ยมาจับมือเราเออนี่ก็เป็นวัตถุอีกแ้วเนี่ยที่สิ่งที่มันเป็นวัตถุต้องมีในทุกอย่างแนวคิดตาหายใจวิญญาณเปนวัตถุทั้งตัวค็ดก็เป็นวัตถุอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยวัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีในโลกจะเป็นโลกนี้ข้อสามโลกหน้าข้อสามหมายถึงวัตถุดังนั้น ไม่ต้องพูดเอื้อมสายเห็นพระพุทธเจ้าก็ได้ไม่ต้องเอื้อมส่ก็ะดับมันจะพูดเพียงสั้นๆสำหรับพวกเราบันนี้ที่โทสะโมหะโลกรก็เป็นวัตถุเหนกันอาการของสภาพต้นไม้ภูเขามันก็เป็นอาการของมันไปนอย่างนั้นที่ลุ่มที่ดอนนะที่ลุ่มที่ดอนที่ลุ่ม มันจะเสมอขึ้นมามันจะน้ำมันจะไหลลงไปไหลลงไปที่ลุมที่ลง่มจะค่อยสูงขึ้นมาเนี่ยอันนี้แปลว่าอาการของมันเป็นนะวันนี้ต้นไม้ก็ตายไปวันน้อาการของมันตเหมือนสิ่งที่ไม่รู้มันจะรู้ขึ้นมาอาการแปลวสภาพเปลี่ยนแปลงของจิตใจเนื้อเปลี่ยนแปลงของต้นไม้เปลี่ยนแปลงในดินในอัตลัมดก็เปลี่ยนบรรยาลามัดเดียวของจิตกําลังเราสัมผัสมันอยู่อย่างนี้แหละบัได้สัมผัสกับตัวที่ว่าจิตใจกำลังนึที่จะเป็นพลามัด เป็นปรมตาแทศตัวนี้ที่ว่ารูปนามเราลุ้นว่าเป็นปรมัตสมมุติแต่เขาจะว่าสมมติบัญญัติปรมัตบัญญัติเนี่ยอัฏฐบัญญัติอริยบัญญัติมันจะเข้ามาลู้นใ้วันนี้มาเน่พอรู้อันนี้นะเรื่องโทสะโมหะลดพักเขต้องลดน้อยไปอันนี้เป็นปัญญาของมิจฉาสนืไปตัดรอยตัวนี้เพื่อจะให้โทสะโมหะลดน้อยไปเมื่อรู้จักสิ่งนี้ก็เวทนาไม่ทุกขปัญญาไม่ทุกข์จังหวะอันนี้เขาเรียกว่ารูปสี่ไม่ใช่รูปห้าเขาวนาน้ำรูปตัวนี้น้ำเป็นรูป เซวล์รูปสี่ที่เขาสวจที่พิษนาปูดยักัเมีครับว่าอันนั้นเรื่องสําราพูเดต้องรู้จากอันนี้ถ้าหาไม่รู้จักอันนี้อันนั้นมันตำราพูดแต่เราต้องมารู้จากข้างไในเราไปนี่ยิ่งจกเป็นพิษพอดีรู้อันนี้แล้วบางคนนะสบายเลยนื่ว่าเราลู่ธรรมะเนี่นี่รู่ธรรมก็รู้ลู่ทิงเซลรู้ธรรมะเรียกว่าต้นไม้เข้าไปจับเปลือกมันจะทากเปลือกมออกนะครับไปจับเนื้อยไม้ากไม่ออกไปจับแกนเข้าไป เขาไปจับตัวใจกลางของมันุมันจะรู้มันแต่เมื่อรู้ขนาดนี้ยังไม่รู้ยังไม่เพียงรู้แต่ยังไม่รู้ทําไมพระเจ้ายังไม่รูู้เสยๆแต่มันยังไม่เจ็บแ้นแต่รู้มไม่เจ็บแสบแต่ว่าเราเรียกว่าเราลดโมซาโมคะโลพะลงได้กันกระถูกแต่มันยังไม่ถึงที่สุดมพอทีบางคนจะมาติดจุดที่นจุดที่มันจะมีปีสีปีสีเขาเรียกว่าสิปยาย่ปัญญา จินแต่ยาเนีวปีตมันจะไป ป, ปีตปีตที่ตรงนี้บางคนก็จะไปรู้กิเลสทันหานอุปทานขึ้นมาทั้งสองอย่างนี้เป็นปีติก็ได้ใบางคนจะมารู้แค่เดียวนี่เป็นปีติก็ได้แล้วแต่คนการกระทำของคนนั้นเท่า น, นั้นเอง ตัวนี้เป็นปีติเป็นจิณตยานอยู่ที่ตรงนี้ตัว น, นั้นเป็นวิปัสสนูที่ดวงมาแล้วนี่นะตัวนี้เป็นปี 4, ปน ต, ต, mm. ติเป็นกิณตญาณอยู่ทีตรงนี้เมื่อปีติขึ้นมาจิณตยานก็รูปรูเบาๆตัวนี้จะมีคมซึมเสาถ้ามันคิสออกไปแล้วก็จะมีคมสึมเสามีใจพอใจแล้วก็ซึงดูอยู่ที่ดวงพอใจองนี้ตัว น, นี้เอาไปนี่คนจะมันเสียหลักมาเสียหลักเพราะว่าทำให้เราซาไปพอใจให้เราสนุกอยู่นะับเรื่องมัน ใจว่าจะนั่ก็ได้จะว่าจะนั้นก็ได้เลยเนี่ยแล้วก็ซึงเอาเลยไม่ค่อยมันพคตรยากตอนนี้นะแต่มันมันต้องรู้มันเรียกขมซึมเ้าของพิษสนุเอียงขมซึมเ้าของจิตญาณเป็นอย่างหนึ่งป็นปีๆแต่เป็นยังไงก็ตัดตัดปัญหาไปหมดอยากไปให้มันดีใจก็ไม่เอาเอามาคมรู้สึกนี่ทีเนี่ยวางเลยขมซึมเทาเอาวางดีใจนะครับไม่เอาเอารู้สึกนี่ทําขึ้นให้มันรู้ขห้มึง ให้มันรู้เนี่ยให้มันรู้อันนี้พอด้รู้อันนี้มันจะหนีจากปมปีติจุ่มเต่านั้นมันจะกลับเข้ามารู้ตัวนี้เมื่อกลับเข้ามาลูตัวนี้แล้วปีติเริ่มเน่าจากพราะจางไปจางไปจางมันจะปีปัญญาขึ้นมากับตัวนี้ตัวที่รู้สึกเนี่ยมันเป็นรากเง่าของบุญคือความรู้สึกจะเป็นทางเน่าของบุญความไม่รู้จงเป็นรากเง่าของบาอนี่เดินทางมาเนี่ยยังไงความสงบเพราะไม่รู้อันหนึ่งความสงบเพราะรู้อนหความสงบเพราะไม่อยากรู้อันนี้ ความสงบเพราะการรู้แจ้อันอยากรู้แต่ไม่อยากรู้อยากสงบแสดงว่าไม่อยากรู้แล้วเราไม่ต้องการความสงบเราไม่ต้องการคนงงแต่ความสงบเองไม่ต้องการแต่ ม, มันมีความสงบไปในตัวมันความสงบเพราะรู้ความสงบเพราะรู้โภษาโมหาโลภะความสงบเพราะรู้กิเลสัญหาอุปาทานสงบอันนี้ไม่ใช่ความสงบอันนะคือความสงบอันนี้เห็นลหลักเง่าของผมคิด มันคิดขึ้นมาอันนั้นมันเกิดมาจากอันนั้นอันนั้นมันเกิดต้องเห็นหน้าเห็นตามันอย่างนี้อันนี้ไปเรารู้แก้ลู่จริงรู้แล้วก็วางได้ถ้าไม่รู้มันครับมันคำเข้าไปด้วยเมันติมันติดอุปทา น, ทปนอยู่แบบเป็นยางเหนียวอุปทานโดแน่นวันนี้เรามารู้อันนี้วางมันวางมันเอง